เทศนาแผ่นที่76ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคำในวันที่9มิถุนายน2558รมีชื่อเรื่องว่าบุญคุณของแผ่นดิน วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่าเดือนหกวันพระที่ผ่านมาเป็นวันวิสาขาบูชาแต่วันนี้เป็นวันแรมแปดค่าเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันเข้าวัดวาสศาสนาเป็นวันที่พุทธบริษัทสี่ควรจะส่งเสริมผู้ที่เป็นฆราวาสญาติโยมก ควรจะมีมีการปฏิบัติธรรมมีศีลห้าเป็นพื้นแล้วก็มากกว่านั้นก็รักษาศีลอุโบสถศีลบวชซีพราหม์ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้อยู่ทางวัดวาศาสนาอยู่แล้วเพราะนั้นพุทธศาสนาพุทธบริษัท ต, ต้องเกี่ยวเนื่องกันลหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่า พวกเราพุทธบริษัทสีเหมือนกับช้างสีขาถ้ า, าว่าขาหน้าภิกษุสัมมณเณรไม่เป็นผู้มีศีลไม่สงศินีลไม่อยู่ในกฎระเบียบเหมือนกับสางขาด้วนสางขาหน้ามันด้วนขาหน้าขาดเพราะว่าหมดสภาพ ภิกษุส ม, มนเนนหมดสภาพจะพุทธบริษัทสีพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกุบาสิกาเหมือนกระเท้าขาหลังะจะเดินตะเกียกตะกายไปยังไงคิดดูกันแล้วกันว่าสางขาหน้ามันขาดแล้วจะไปได้กี่น้ำแต่ถ้าอาว่าพุทธบริษัทภิกษุสัมมนเนนที่อยู่บ้างหน้าที่อยู่ภายใน เป็นผู้เข้มงวดกวดขันในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นศาคยกับุตรอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่สําหรับอุบาสกอุบาสิกาเปรียบเทียบเหมือนช้างเท้าหลังมีแต่ช้างเท้าหน้าเดินช้างเท้าหนังไม่มีจะไปได้กี่น้ำก็ช้างตอนนั้นก็จอดเหมือนกัน นี่แหละลักษณะอย่างงานนะคณะสัทายาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าพุทธบริษัทสเนี่ยทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมรักษาธรรมพระธรรมวินยัเยเข้มงวดกวดขันอยู่ในกฎระเบียบสำหรับสัทายาติโยมก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้มีศีลไปด้วยกันพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรือง ไปด้วยกันพวกเราก็ต่างคนก็ได้รับผลประโยชน์ในการอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมีความสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจเอ่อนึกขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็มีแต่ความสุขอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ด้วยร่มศินร่มธรรมอ่าร่มโพสามต้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ความผาสุขมีแต่ความ สุกกายสุกใจกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายห่างเหิน เ, เรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราอย่าหวังเลยว่าพวกเราจะได้รับความสุสขนะมีแต่ความเรือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้ทุกวันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคุกตรางามากมูลขึ้นเรื่อยๆเพราะเหไรเพราะพวกเราห่างเหินศีลธรรมนั่นเอง เ, เมื่อห่างเหินศีนธรรมมันก็ต้องไปทางนู่นแหะทางต่ําในเมื่อไปทางต่ําก็มีแต่ความทุกข์ทรมในจิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้พูดเข้าข้างผู้ใดใครผู้หนึ่งนะไม่ได้พูดให้เพื่อใครพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดคิดแล้วก็นํามาพิจารณาหรวยซื่อจริงไหม เมื่อจริงแล้วก็นำประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายใจของพวกเราท่านทั้งหลายเองน ะ, ะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธเตสีเลนะในผูติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทาเยุวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ทางอำเภอนายูงของเราทางวัฒนธรรมอำเภอนายูงได้เชิญพี่น้องประชาชนส่วนราชการและส่วนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอนายูงได้มีการจัดกิจกรรมสั ป, ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตน ร, ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระชนมายุครบผารอบในระหว่างวันที่29พฤษภาคม ถึงวันที่9มิถุนายน2558นะอันนี้ก็คือจดหมายที่ดีกานิมน์วันนี้จึงมีพี่น้องประชาชนมาตักบาตรที่หน้าโรงพยาบาลมากมนเนเต็มไปหมดนะเพราะนั้นถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับอำเภอนายูงของพวกเราในการ ชักชวนพี่น้องประชาชนประกอบคุณงามความดีเรียกว่าทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์เป็นการถวายพระราชกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญหรือ ว, ว่าเป็นวันหนึ่งสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเจ้าฟ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายตั้งแต่ดึกดําบรรตระกูลเนี่ยตระกูลเพราะเจ้าอยู่หัวเนี่ยถ้าว่าพวกตระกูลเนี่ยไม่รักษาประเทศชาติไว้พวกเราคงจะไม่มีประเทศชาติจะอยู่ก็คงจะเหมือนแตกระหะุระเหินไปถ้าพวกเราได้อ่านในประวัติศาสตร์ดูสิสมัยรสกับรสหสมัยนั้นอะ่ะฝรั่งเศสกับอังกฤษจะปกครองประเทศชาติ เข้ามาแย่งประเทศไทยในยุคสมัยนั้นถ้าว่าพวกเราได้อ่านได้ศึกษานะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นไนะม่ใช่ธรรมดาต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบคอบใช้ทุกอย่างที่มีที่เอาประเทศชาติชาติไทยของเราได้ผ่านพ้นไปจากปากเหี่ยวปากกาในยุคสมัยนั้นถ้าพวกเราได้ศึกษานะ ถ้าไม่ได้ศึกษาก็อย่างว่านเห็นแต่ในปัจจุบันสายตาสั้นเราก็มองเห็นแต่ในปัจจุบันมีแต่เห็นแต่กลุ่มของตัวเองแต่ถ้ามองสายจายาวแล้วก็นะต้องมองวาระกูลเนี่ยประเทศชาติชาติไทยมาเป็นเป็นมาอย่างไรเพราะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้มองนะให้มองไกลนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมท่านไม่ได้มองใกล้ๆนะไอ้พวกสายตาสั้นนะมัน มันมองไม่เห็นไกลมันมองเห็นแต่การเป็นอยู่ใส่ปากใส่ท้องตัวเองเป็นวันวันไปเท่านั้นเองแต่ว่าความเป็นมาของเรานะเป็นมาอย่างไรเนยะไม่มีใครมองไกลคนที่ไม่ไ ม, มองไกลเนะี่ยจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเนะี่ยเป็นไปไม่ได้นะกนัตทายาติโยมมีแต่หวังมือไข่ยาวสาวใส่ปากของใครของเราใครจะเดือดร้อนนะไม่ได้มองใครเอ่ โดยมากกับคนเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวก็ไม่ไม่เห็นแก่ใครทั้งหมดเพราะเห็นอะไรเพราะเห็นอะไรเพราะสายตาสั้นถ้าสายตายาวมองยาวๆแล้วนะใครเป็นใครเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกต้องไม่ถูกต้องการละเทศะพระพุทธศาสนาของเรานี่นะในพวกเราศรัทธาญาติโยมโลูกหลานพนะระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาบุรพาราจานะให้ลำลึกถึงนะ ให้มองประวัติศาสตร์นะพวกเราให้มองประวัติศาสตร์เห็นไหมไอ้พวกพวกเราจะรับสินเมื่อกี้นี่เออก็ตั้งนโมซะก่อนนโมตัสสะปะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะเกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าเพราะเราอยู่ในวัดป่านาคําน้อยนี่เอะจะไปยุ่งอะไรไปเกี่ยวอะไรอาเรามีอยู่ไม่กินทําสิไอันนี้ก็คือพวกสายตาสั้นใช่ไหมถ้ส า, าสายตายาวนะั่นก็ต้องมองว่านี่ นโมตัสสะปะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคก็รหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นยาวขนาดไหน2558ปีให้หลังยาวกว่ากรุงศรีอยุทธยาของเราอีกต่างหากเนี่ให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนา เป็นต้นความคิดที่พวเราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้น่ะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจะทําพิธีกรรมพิธีการอย่างไรเราเรารึกถึงประวัติศาสตร์คือพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นศาสนาจังหวัดนโมตัดสะพระคขวัโตทุกครั้งจะลงอุโบสถจะทําสังฆกรรมรไหนทำสังฆกรรมไหนก็ตามเราต้องระลึกถึงประวัติศา ส, ส, าสาตา ร, ต ร, รตศาศา์ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าคือต้นศาสนาต้นศาสนาพระธรรมคือคำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือสาวกผู้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนให้ได้ยินได้ฟังในเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามากักกานกรองไตรตรอง ด้วยเหตุและผลว่าทาคาสอนเนี่ยมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ทาคาสอนท่านกันตร์ตรัไว้ว่าเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยสติปัญญาของเรามักกันกล้องอีกที่หนึ่งชอบจริงหรือเปล่ า, าถ้าว่าไม่ตีเข้าข้างตัวเองก็ต้องว่าชอบเพราะอะไรเพราะเป็นกลางธรรมะเป็นกลางธรรมะคือหลักเหตุผล อย่าฆ่ากันนะอย่าพวกเรารับสินอย่าคิดฆ่ากันนะเอใช่เมื่อเราไปฆ่าเขาเราก็ชะใจที่ว่าเราไปฆ่าเขาแต่คนเขามาฆ่าเราละ่ะหัวสุกหัวทุนหน้าจ้อยงวยเหงาเสียอกเสียใจเพราะอะไรเพราเขามาฆ่าเรานะเน่เน่แหละก็คือสินของพระพุทธจ้าวัวินนาทานก็เหมือนกันขโมยของเขากรรมขโมยของเราเสียใจข้อที่สามเราไปประพฤติ ลาลาบละล้วงในสามีภรรยาลูกหลานตระกูลของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันข้อที่สี่เราโกหกเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเขาโกหกเข า, เ, าเนี่ยอะไรจะได้เปรียบเขาเราโกหก เ, เป็นยังไงผลที่สุดเมื่อเขามาโกหกเราเราก็เสียใจแล้วข้อที่ห้าเมื่อดื่มสุราขาดสติ เมื่อคนขาดจติตแล้วทำความชั่วขึ้นมาเพราะขาดการยับยั้งไม่มีการยับยั้งในตัวเองแล้วก็ทําความชั่วในเมื่อเราไปทําให้กับคนอื่นเขาล่ะเพราะเรากินเหล้าเมาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจในเมื่อคนอื่นเขาเมาล่ะขาดจติตแล้วมาทําให้กับเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้พระพุทธองค์ตรัสไว้พูดไว้เป็นพระธรรมคําสอน เรายอมรับว่าเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นสวากขาธรรมตัดไว้ชอบจริงๆริง เ, เมื่อเรานํามาประพฤติธปฏิบัติก็ร่มเย็นเป็นสุขทุ่นหน้ากันเพราะเหตุไรเพราะอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีศีล น, นี่แหละศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงจะทําพิธีกรรมพิธีการเราจึงหวนนะโมตัดสะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาครหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะได้มาพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีพระปรรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีที่ปกครองประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยท่านน้อยหนุ่มท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนขึ้นเขาลงห้วยทุกอย่างทั้งพวกเราได้เห็นในจิจจวัดของพระองค์อ แล้พระบรมราชินีก็เหมือนกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางอีสานของพวกเรามากมายทีเดียวแต่วันนี้พระองค์ทั้งสองพระองค์มีอายุมากแล้วเหมือนกับปู่ย่าตายายของเราเป็นเจดีเป็นที่เคารพสักกิระแล้วจะให้ท่านมาทํางานอย่างเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ของเราเนี่ยเมื่อท่านทําคุณประโยชน์ให้แล้วท่านก็เป็นเจดีพวกเราก็สานต่อ ทำต่ออันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่าทาะเลาะว่อกแวงกันอันไหนดีอันไหนเลวพระองค์พ่อก็สอนไม่หมดแล้วเพราะนั้นแล้วเทอานึกย้อนไปอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าในยุคสมัยฝรัง่ง อ, อังกฤษฝรั่งเศสที่ฝรัง่งอังกฤษ เ, เขาคนนั้นมาเลอินโด ทางฝ่ายฟรมา่์ทางฝรันะอองร่งเศสก็เนี่ยขเขมร ล, ลาวเวียดนามแต่ว่ายัางเหลือตอยู่แต่ประเทศไทยแห่งเดียวนะแต่ประเทศไทยก็เสียให้กับเขาขออะไรมาแล้วก็ยอมให้เสือนสวนและรักษาส่วนใหญ่เอาไวนะ้นี่แหะพระเจ้าพผ่นดินสมัยรอสีรอหะรอสนะี่ทั้งก็วางฐานไว้ตั้งแต่รอสามาหนะลวงพ่อศึกษานูรอสหน่ไปค้าขายกับ ประเทศจีนนะต่อเรือสะพานไปขายประเทศจีนได้เงินอิปแปะสมัยนั้นนะได้เงินถุงแดงท่านก็เก็บรักษาไว้อย่างดีรักษาไว้อย่างดีพอรัชการที่สีขึ้นมาท่านก็สารต่อดูแลติดต่อเรื่องฝรั่งพูดภาษาฝรัง่งแขกได้คล่องถ้าแต่นั้นท่านสอนมันลึกถึงรัชการที่ห้าพอมาถึงรัชการที่ห้าเนี่ย ฝรั่งเศสมาปิดอ่าวไทยเลยหลวงพ่อได้ดูในประวัตินะประวัติศาสตร์มาปิดอ่าวไทยเพราะ ท, ทหารไทยเขาก็ยิงท่ะยิงยิงยิงเข้ามาในไท ย, ยถึงลึกปืนไทยไม่ดีก็ว่าเธนะเจะปืนแกป๊ปปืนอะไรก็ยิงไปยิงไปถูกฝรั่งเข้าเลยฝรั่งเขาก็ตายแต่คนตายคนไทยตายไม่เป็นไรละ่ะเพราะเขามีอํานาจเหนือกว่าแต่เขาคนตายของเขาต่อยตายหน่อยเดียวโอ้โห เออต้องเรียกค่าเลยท่นนี่เรียกค่าค่าเงินเออตั้งสามล้า น, นไงสมัยนั้นนะแต่เด็กันเนี่ยนเนี่ยกัรัชการที่ห้ากับงวัวเงียกหาที่ไหนไม่ได้ก็ไปได้ได้เงินของรัชการที่สามนั่นเออนับนับดูได้สองล้านสองล้านสองล้านสี่ไหมสองล้านสี่แสนเลยหลงพอได้อ่านถ้าจำไม่ผิดนะ อจะนี้เอาไปให้เขาเพราะนี่เขาไม่พอทไง เ, เขาไม่เขาไม่ยอม เ, อเขาต้องไต่ได้ตั้งสามล้านเนะี่ยผลที่สุดเนนะี่ยได้ลูดสร้อยลูดแหวนอยเงีจากขนมกำรรนันจากที่ไหนๆเอามารวมกันอพอรวมกันจะได้ก่มอบให้เขาเขาจึงได้ถอยทับไปอก่อนที่เขาจะถอยทัพแล้ น, นเขาก็มายึดเมืองตราดกับเมืองจันทบุรีไว้ก่อนนะเป็นประกันถ้าไม่ได้เงินมเขาจะไม่ถอยฮะขนาดนั้นแหละ พวกเราคิดดูสิเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองน่ะรักษาขนาดไหนให้พวกเราศึกษาดูเพราพ่อนั้นหลวงพ่อชอบศึกษานะชอบศึกษาประวัติศาสตร์ชอบศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติเน่ยเพราะเพราะเหตุไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟัง m อ็มหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะพูดเรื่องชาดกต่างๆนะ เน่ยละครือเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งนั้นน่ะเรื่องพุทธประวัติบ้างสาวกประวัติบ้างที่หลวงพ่อได้มาเปรียบเทียบให้กับคณะศร ธ, ธาญาติโยมฟังเพราะนั้นศร ธ, ธาญาติโยมอย่าแปลกใจที่หลวงพ่อได้อ่านเนีย่ยประวัติศาสตร์ของชาติเป็นมาอย่างไรเกตเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อไดเอามานํามาสาธกให้ศร้ธธายญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็คือให้ระลึกถึงบนคนผู้มีอุปกรณคนที่พวกเราได้ รับความสงบร่อมเย็นเป็นสุขอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าโผล่ขึ้นมาวันนี้วันเดียวมันมีประวัติความเป็นมายืดยาวทีเดียวอย่างพระพุทธศาสนาที่พวกเรานับถือเนี่ยเวลาเราจะทําพิธีกรรมพิธีการเราก็ล้ำลึกถึงนโมตัะสสะซะก่อนและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยได้รับความสะดวกสบายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้ กระเพาะบุญบรมีของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์คุ้มครองพวกเราพวกเราจึงร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยให้พวกเรานำไปคิดไปพิจารณาด้วยเหตุและผลนะหลวงพ่อจะพูดด้วยเหตุและผลเพราะว่าการเป็นมาในพื้นแผน่นดินไทยเนี่ยไม่ใช่วันนี้วันเดียวมีความเป็นมายวงใหญ่ยาวนาน แในความเป็นมาการดูแลประเทศชาติหลายยุคหลายสมัยเพราะฉนั้นเราจะมอบว่าความไว้วางใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ต้องมาใครที่จะมาเป็นผู้นำํำเราก็ต้องกันกรองดูเจตนาดีไหมแอบแฝงไหมออมีเล่ยนเหล่เล่เหลียมีเล่มีเหลีย ม, ม, มไหมมีคุการคดการโกงอยู่ข้างในไหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องกันกรอง ดูด้วยเหตุด้วยผลถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเจตนาดีจริงๆพวกปกป้องประเทศชาติเราก็ยินดีใช่ไหมเห็นไหมละ่ะ อ, อย่างพวกเราตัวอย่าง อ, าอย่างสิงคโปร์เ่ยเห็นไหมเรียกคุณยูเรียกคุณยิวปกครองนะเป็นยังไงเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับทั่วนาอะไรแล้วฟิลิปปินส์มากอสละอินโดนีเซียละซูฮัโตะ ยุคนั้นสมัยนะั้นเป็นยังไงดูไม่จืดเหมือนกันเพราะ น, นั้นเพื่อนไทยของเราเนี่ยควรจะยึดตัวไหนเป็นตัวอย่างจะยึดสิงคโปร์หรือจะยึดฟิลิปปินให้พวกเราเลือกเลือกเอาผู้นาทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อว่านเนี่ยพวกเราทั้งหลายอยู่เป็นกองเสียกองหลังเนี่ยพวกเรามีแต่ว่าเออประเทศชาติชาติทาไทยของเราเนี่ย เ, เป็นมา เพราะมีเจ้าฝ้าเจ้าเป็นดินสืบทอดกันมาแต่มาถึงยุคของเราเนี่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย ท, ทุกคน น, น่ะคิดดีทำดีพูดดีเพื่อประเทศชาตอิอย่าไปเห็นแก่ตัวเถอะอีกไม่ถึงไม่นานหรอกไม่ถึงร้อยปีล้วต่างคนต่างตายอย่างหลวงพ่อ7นี่กเ็ 70, เข้ามาแล้วลูกหลานเนี่ยจะอยู่กับลูกหลานไปกี่ปีถ้า10กว่าปีกับแกว่าก็หมดสภาพแล้วคนที่80กว่าปีหมดสภาพแนละลูกหลานนะ ดูดูกระปั้มปั้มเป๋อเป๋อแเดี๋ยวนี้หลวงพ่อ พ, อพอพูดได้ก็พูดให้ลูกให้หลานฟังอีกไม่กี่ปีกี่เดือนไปข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละอนาคตนะวันนี้ก็หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดสําหรับลูกสําหรับหลานให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะถ้าว่าหลวงพ่อพูดไม่ตรงจุดตรงไหนหลวงพ่อก็ยินดีรับฟังจากพี่น้องจากลูกจากหลานทุกคนเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดเลยโอ้หลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่เทปไม่ใช่ MP3 นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นำบันทึกดึกมาตั้งแต่นุ้นสมัยนี้จําเปี้ยที่เดียวไม่ถึงขนาดนั้นนะบางทีอาจจะเลื่อนลางก็ได้แต่หลวงพ่ อ, อมั่นใจจึงได้พู ด, ดให้ลูกไห้หลานได้ฟังนะเพื่อเป็นแนวการศึกษาเพื่อเป็นแนวความคิดว่าความเป็นมาของพวกเราเป็นมาอย่างไรพุทธศาสนา เป็นมาด้วยประวัติศาสตร์นะความเป็นมามันสืบเนื่องนะออย่างพวกเราท่านทั้งหลายบางทนก็อยู่รักษาบ้านรักษาเรือนไม่ใช่ว่าเราปูก ป, ปับมาเราได้นาะท้องนี้มาได้มาด้วยลําแข่งตัวเองไม่ใช่พ่อของเราถางไล่ทางนาะก่นหัวต่อมาเท่าไหร่อแทบล้มแทบตายบางทีถูกงู ก, กัดอีกตั้งหากก่อนที่จะได้นาพอมาถึงตัวเองก็เริ่มตัวเล เออเพอเอเอาเงินไปเข้าธนาคารเสร็จแล้วเน่เอาเงินขายนาไปซื้อเหล้ามากินแล้วก็ซื้อที่ดินไปตกไฮโลเล่นการพนันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไงแผ่นพื้นพื้นดินแผ่นนี้ที่ดินแปลงนี้วิชาอาชีพจุดนี้พ่อแม่ของเราทุ่มเทมาจนลูกตาจะ ก, กระเด็นมาเลี้ยงพวกเราเมื่อเมื่อพวกเราได้ รับมรดกจากพ่อจากแม่แล้วก่อนนั่นแหละต้องสำนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่มันจึงจะถูกนะนี่ก็เหมือนการให้พวกเราสำนึกพระคุณผู้ที่รั ก, รกษาประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้นะต้องมีความเป็นมาความเป็นมาอย่างไรนะแล้วมาถึงยุคของเราพวกเราคนรับด้วยความน้อมรับเจตนาดีรักษาตนเป็นคนดี อย่างน้่ยทาอย่างอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะให้คิดดีทดําดีพูดดีเท่านี้พอแล้วทุกทุกคนต้องคิดดีทดําดีพูดดไีไม่ต้องไม่ต้องทําอย่างอื่นอูดูตัวเองให้เป็นคนดีเท่านั้นพออนะต่างคนก็ต่างรักษาตัวเองให้เป็นคนดีเดี๋ต่อไปมันดีไปเองเลยดีทั้งประเทศชาติดีทั้งโลกเลยจะนี่ยตอนนี้ไปรับพรอในะแต่เนื้อนคะันธัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคน